ไม่รู้จะหาช่องไปข่มนักอภิธรรมยังไงก็เลยไปขม่มพระพวกอภิธรรมว่า อ, อย่าว่าพวกท่านนะอาจารย์ของท่านนะเป็นอาบัตยังไม่รู้ว่าเป็นอาบัติะไปก็มาณนะยกหางเข้าไปเลยเนี่ยนะแหมปรับเขาเต็มที่แล้วก็เหยียบให้จมดีเนีอาบัตเล็กขนาดนี้ยังไม่รู้เรื่องแล้วยังอื่นจะรู้เรืออะไรเนี่ยนะขม่ขมข่มหน้าดูเลยทีนี้ไอ้พวกนักอภิธรรมเนี่ยนะนีสิทธิ์ของพวกทรงอภิธรรมก็เอาข่าบข่าวนนั้นมาบอกอาจารย์อีกนะ